b o ๊กทูแปดสิบสอง82อดีตการสอง42แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมมอเตอร์ ambulansen แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมมัตต์จะดูริ้งเกปูเลาคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะฮาร์ดู u ูเมเร a ้ายหดเดออิสตคุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะฮา คุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะหาดูบิ๊กคัตเต a ฉันมีอยู่เ t ยเขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะคอมมันในทีเดฮันคลาร์ทไม t เกะอคอมม a น t นทีเขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบค่ะฟังต t องทางเหรอฮันฟ n งต์ไม่กี่เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะฟังตัวฮันไม่กี่ฮ n นคุณไม่กี่ฟังตัวแม่ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะวูร์ฟอร์คุณจะดูอิ k ค็ m มี่ทีเ ทำไมคุณหาทางไม่พบคะวูทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะงมอีกขดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ยายขโีดิฉันหาทางไม่พบ พรามว่าไม่มีแผนที่เมืองฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่า ham, ดนตรีด d e k a ิ t ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไปฉ i k ไม f o r f า r จเขาเพราะว่าดนต n var ง å h ินดิฉันไม่งข้งรจเขากซราะว่าดนตรีดังเกินไ ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมืองฉันต้องปิดวิทยุฉันต้องปิดวิทยุฉันต้องปิดวิย